ธรรมชาติของเสือก่อนต้องเข้าใจธรรมชาติของเสืออันเนี้ยเป็นข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าเราต้องมีความคุ้นเคยกับเสือรู้จักธรรมชาติของเข้าอย่างเดียวยังไม่เพียงพอนะต้องทำความคุ้นเคยอันเนี้ยสองข้อเนี้ยแต่ว่าที่เขาบอกมาเราก็เข้าใจออการฝึกเสือมันก็เหมือนเนกับการฝึกจิตของเราบางทีจิตเราเนี่ยมันร้ายยิ่งกว่าเสือเลยนะ